บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปแต่พูดถึงอวิชชาคือความไม่รู้หรือควา ม, มรู้ไม่จริงในรีมักมีองค์แปดมาโดยลำดับซึ่งจะเห็นว่าในกรณีที่เป็นความไม่รู้นั้นคือการมืดบอดในด้านเหตุผล แม้แต่การเรียนรู้ทางภาษาสัมผัสก็ไม่มีไม่ต้องกล่าวถึงความคิดที่จะอยู่ในกรอบของอริยมรรคในองค์8ปประการหรือไม่แต่ส่วนความรู้ไม่จริงนั้นในระดับของปริยัติอาจจะมีการศึกษาเรียนรู้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรอไริยมรรคในองค์มีอะไรบ้างแต่สามารถจะชี้แจงอธิบายได้ ตลอดถึงระดับของติระเปิญญาคือนำมาคิดพินิดพิจารณาขยายความยกความยกตัวอย่างอุปมาเทียบเคียงต่างๆได้แต่ในภาคของการปฏิบัติแล้วไม่สามารถที่จะลดละกิเลสหรือเพิ่มพูนองอริมักขึ้นภายในจิตใจของตนเองได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นความรู้ชีพไม่จริง รู้แล้วไม่สามารถจะปกครองตนได้หรือเอาตัวรอดได้ในอริมัคข้อต่อไปก็คือเรื่องของสมาสติแม้คามมัตจสืบเนื่องมาจากวิชาก็เป็นมิจฉาสติแต่กการตั้งสติระลึกในทางที่ผิดในสมาสตินั้นทรงเน้นไปที่เรื่องสี่เรื่อง คือกายเวทนาจิตธรรมที่เป็นธรรมปฏิบัติในมาสติปัฏฐานในสูตรซึ่งได้ศึกษาสืบต่อกันมานั่นเองเห็นว่าการที่จิต ใ, ใจของบุคคลไปมีปัญหากับส่วนของร่างกายเวทนาจิตธรรมก็ได้ดแลแต่สืบเนื่องมาจากอวิชชามีความระลึกไปในทางที่ผิด เช่นระลึกในแนวของทิฏฐิที่ว่าร่างกายนี้เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนตามแนวของศาสตาทิฏฐิที่เห็นว่าเชียงในกระบวนการตรงนี้จะมีการระลึกที่เลยเถิดไปจนถึงกับว่าชีวิตนั้นได้มาจากสิ่งสูงสุดซึ่งอาจจะเรียกว่าพระพรหมอาจจะเรียกว่าพระเจ้าหรืออาจจะเรียกว่าอะไรก็ตามแล้วมาท่องเที่ยวอยู่ระยะหนึ่ง ในที่สุดก็จะย้อนกลับเข้าไปรวมกับสิ่งที่ตนจากมาแล้วก็ให้เกิดเป็นความยดมั่นหรือมั่นว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นของเชี่ยงแท้แน่นอนความคิดในแนวนี้จะมีปัญหาในการประพฤติปฏิบัติเพราะคนเราถ้าไม่มองในสายของเหตุผลแต่ไปมองผลทั้งหลายมาจากปัจจัยภายนอก ก็จะขาดการใช้ความเพียรพยายามวยตัวเองที่จะปล่อยการเวลาผ่านพ้นไปโดยการรอคอยโชคชะตาต่างๆอย่างสำนวนคำพูดบางอย่างที่พูดว่าทำก็ชามไม่ทำก็ชามเรียนก็ชามไม่เรียนก็ชามรู้ก็ชามไม่รู้ก็ชามเป็นภาษาพื้นพื้นที่คนนิยมพูดกันโดยทั่วไป ควคิดในแนวนี้จะไม่มีการสร้างสารรค์พัฒนาตัวเองเพราถือว่ามันก็คือการกินข้าวกันคนละชาตเหมือนกันในการทํางานก็จะขาดความบักบัน่นมุมาณพยามเพื่อจะให้การงานต่านั้นประสบความสมําเร็จตนเองมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตในกิจการงานในตามแนวหน้นาที่ทตนจะต้องรับผิดชอบเป็นต้นเพราะถือว่ายัางไรมันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะเป็นของเชี่ยงอยู่อย่างนั้นเอง ปัญหาตัวนี้จึงกลายเป็นปัญหาที่สร้างอาการช ง, งักงันในการพัฒนาชีวิตจิตใจของตัวเองตลอดถึงการมองในแนวที่กำหนดหมายในปัจจุบันท้านหลายคงนึกได้ว่าในมหาสติปัฏฐานในสูตรนั้นทรงเน้นธรรมะปฏิบัติที่ต้องการขาจัดความรู้สึกสองอย่าง ทงใช้กำวอภิชากับโภมนักหมายความอาการเกี่ยวข้องกับส่วนที่เป็นรูปขันซึ่งตนได้เห็นได้ยินได้สูดดมได้ดิ้มได้จับต้องก็จะเกิดความรู้สึกสองทางได้แก่ความรักความชังที่สํานวนบาลีใช้กําวอภิชาและโภมนักจะกลายเป็นอาการหลงรักหลงชัง การหลงรักหลงชังนั้นเป็นภาษาที่เข้าวๆาวเป็นการแสดงอาการของกิเลสสองกองที่เกาะติดกันอยู่เป็นปัจจัยอิงอาศัยซึ่งกันและกันหลงนั้นเป็นอวิชาหรือเป็นโมหะรักเป็นกิเลสประเภทโลภะประเภทราคะชังเป็นกิเลสประเภทโทสะหลงชังก็แสดงว่ามีกิเลสระดับความหลงกับความโกรธ หลงรักก็มีกิเลสประเภทโมหะคือความหลงกับความรักสแสดงว่ารักก็เพราะหลงชังก็เพราะหลงแต่ถามมาทาไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะเป็นการมองในมุมเดียวที่สงใช้คำว่าสุภสัญญาคือมองในแง่ที่สวยงามแง่เดียวมองว่ารูปนั้นสวยเสียงนั้นไพเราะกลิ่นนั้นหอมรสนั้นอร่อยสัมผัสน่าจับต้อง ก็มีความกำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีไ ข, ขว่คว้าปรารถนาสแสวงหาดิ้นรนต่อสู้จนถึงกระทำชั่วเพื่อได้มาถึงสิ่งเต่อนั้นแตนน่ในงงแง่ของความเป็นจริงแล้วรู ป, ปรวัตถุทั้งหลายนั้นเป็นโลเ ก, กียรัพ์คือเป็นรั์ที่ติดโลกเป็นสิ่งที่อยู่ในโลกทุกคนที่เกิดมาในโลก สามารถใช้ความเพียรพยายามเพื่อได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นตามกำลังความสามารถแห่งตนแต่อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นปัจจัยเป็นวเครื่องอาศัยในการดํารงชีวิตในการปฏิบัติภารกิจการงานคล้ายๆกับอาศัยรถอาศัยเรืออาศัยเงินอาศัยความรู้อาศัยถนนห น, น, นทางสิ่งเหล่านั้นเอาข้่จริงไม่ใช่ของเราจริง พอถึงจุดหนึ่งเราก็ทิ้งสิ่งต่านั้นไปอุตสาหลงทุนต่อสู้ทําความชั่วใดสารพัดแต่ก็จริงแล้วเราก็เอาอะไรไปไม่ได้นั้นแสดงให้เห็นเรื่องความหลงในประเด็นของการดำรงชีวิตพอเกิดการยึดติดการบมกมุ่นบุญวายอยู่ในอํานาจของความรักความคลายความประทาความพอใจในอารมณ์เต่านั้น จนบางครั้งบางคราวต้องทำชั่วบางครั้งบางคราวต้องสูญเสียเวลาไปเพื่อปลนปลือเพื่อบำรุงบำเรอเพื่อไขวยคว้ า, าสแสวงหาสิ่งเดียนั้นแต่พอจากโลกนี้ไปปรโกฏว่เาเอาอะไรไปไม่ได้เลยสิ่งที่ติดตัวไปได้ก็มีเฉพาะความดีความชั่วเรียกว่าบุญกับบาปเท่านั้นบางการที่ใจคนไปหลงรักก็ดีหลงชังก็ดี เรามองสิ่งเหล่านั้นในระดับต่างๆอย่างที่ทรงวางกฎเกณฑ์กาหนดให้มองให้มองร่างกายแยกออกเป็นส่วนๆเพราะตามปกติแล้วการกาหนดความรักความช่างนั้นเราจะกาหนดแยกหรือกาหนดรวมให้ลองสังเกตว่าคนบางคนสิ่งบางสิ่งอาคารบางหลังที่ดินบางแปลงมันไม่ใช่ชอบทั้งหมด แต่ไปชอบเอาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายหลายส่วนบุคลคูมิารดูแล้วปรากฏว่าที่ชอบมากกว่าไม่ชอบก็ตกลงใจซื้อหาสิ่งเหล่านั้นอีกแนวหนึ่งนั้นคือชอบหมดชอบทั้งคนชอบทั้งรุ่นชอบทั้งตัวชอบทั้งหลังชอบทั้งคัดชอบทั้งผืนก็แล้วแต่อะไรแต่ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นการเกาะกลุมกันของสิ่งทั้งหลาย ลักษณะนามที่เราใช้เรียกสิ่งเหล่านั้นเรียกในขณะที่เขาเกาะกลุ่มกันอยู่เท่านั้นเองเพอสิ่งเหล่านั้นแยกไปตามสภาพเดิมของตัวเองที่เขาก่อนจะเป็นอย่างนั้นเขาก็หาความเป็นอย่างนั้นไม่ได้อย่างที่ท่านอุปมาเห็นว่าชีวิตของเรานั้นเหมือนกับรถเหมือนกับเรือนเหมือนกับราชรถเหมือนกับยานป่านาทั้งหลาย จริงมันเริ่มจากการไม่มีรถไม่มีเรือนไม่มีราชรถไม่มียานพาหนะเหล่านั้นแต่ก็มีการปรุงแต่งมีการประดับประดามีการตกแต่งกันพอเสร็จตามที่ตนต้องการแล้วก็กำหนดเรียกชื่อไปเรื่อยๆพอถึงจุดสมบูรณ์ก็เรียกว่ารถเรียกว่าเรือนเรียกว่าคนเรียกว่าสัตว์แต่สิ่งเหล่านั้นมันเริ่มจากการไม่ได้เป็นอะไร แล้วก็คุมกันมาเรื่อยๆจนกลายเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาพอถึงจุดหนึ่งมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สภาพเดิมคือการหมดสภาพไปการไม่มีอะไรแต่ว่าใจคนก็ไปยึดถือไปกำหนดหมายด้วยความรู้สึก ค, ความภาพปรารถนาในส่วนตัวเองรู้สึกว่าเรานั้นเป็นเราแตถามว่าตรงไหนคือเราปัวหาเราไม่ได้เราก็คือต้องรวมกัน ถ้าไปแยกมันก็ไม่เหลือเราอย่างพระยามิลินกับพปนาเกษตที่สนทนากันพระยามิลินถารรมปนาเกษตว่าพระคุณเจ้าหรือชื่อว่านาเกษพรปนาเกษตก็ถวายพระพรว่าอัตมาภาพชื่อว่านาเกษตรบางเพื่อนเรียกว่าสิงหาเศษบ้างสุรเสศนบ้างมหาเศนบ้างแต่พระบวชก็มีพูดเพื่อนสัพพมัจจารีเรียกอัตมาภาพว่านาเกษต พญามลินจับเอาวัยวะทีลชิ้นมาถามอะไรชื่อว่าน้าศักน้าเกษณผมหรือชื่อว่าน้าเกษณหนังหรือชื่อว่าน้าเกษณผูหรือชื่อว่าหน้าเกษณจมูกหรือชื่อว่าหน้าเกษณตาหรือชื่อว่าน้าเกษณเป็นต้นก็จับมาทีลชิ้นมาถามพระน้าเกษณก็ปฏิเสธอยู่คำเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แช่พญามิลินก็ตอบว่าว่าพระน้าเกษณโกหก ตะกี้นี่รับว่าตัวเองคิดว่านาเกษถ้าพอถามข้าวบอกไม่มีนาคเกษไม่ใช่นาคเกษเพระนาคเกษท่านเป็นพระอรหันต์ท่านไม่โต้อตอบในลักษณะนั้นท่านถามว่ามหาปพิธยินมาสถานที่นี้โดยอะไรพญามิรินบอกว่ามาโดยราชรถต่งโกก่กาวว่ามหาปพิธยืนยันปรามาดโดยราชรถเขายืนยัน ถามอะไรชื่อว่ารถราชรถท่านก็จับเรื่องรถมาทีละชิ้นเช่นเดียวกันปรากฏว่าไม่มีรถพระนาคพระยาเมรินก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ไม่ใช่เช่นเดียวกันพระนาคเสงก็ใช้โดยทํานองเดียวกันในสุดพระยามรินก็บอกว่าพระคุณเจ้าเล่นจับมาทีละชิ้นอย่างนั้นมันจะเป็นรถได้ยังไงการเป็นรถมันต้องรวมกันทั้งหมดที่พระคุณเจ้าถามนั่นแหละจึงจะเรียกว่ารถ ปัญหากเกษตก็บอกว่าธรรมาภาพก็เหมือนกันที่สมมติปัญนากเกษตรมันก็ต้องรวมกันทั้งหมดมาพิจารณาแยกทีละชิ้นอย่างนั้นมันก็เป็นนาญาเกษตรึชื่าไมไม่ได้ก็แสดงเห็นว่าสิ่งต่างๆที่จริงเขาก็กาะกลุ่มกันเป็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่จนถึงกระดับไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ใจคนก็ไปหลงรักไปหลงสั่งไปหลงไขอยคว้าปรารถนากันด้วยประการต่างๆ อารมณ์โลกก็มีอำนาจอิทธิพลครอบงำจิตใจของบุคคลในจุดนี้ถ้าหากว่ามีปัญญารู้เท่าทันมันก็จะไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ ด, ดนั้นแต่จะเกิดอาการที่เรียกว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะของสิ่งโดดนั้นจิตใจก็ไม่ฟูไม่แพไ้ไปไดอย่างที่ทงสอนให้มองสิ่งทั้งหลายเหมือนกับของที่เรายืมมา มองคนเหมือนก็แขกที่มาเยือนจะดีหรือไม่ดีก็ตามก็คือแขกเมื่อก่อนเขาไม่มาต่อมาเขามาแล้วต่อในขณะนั้นเขาก็อยู่แล้วต่อไปเขาก็ไปต่ลงว่ามาแล้วก็อยู่แล้วก็ไปเหยุการ์เวลาไปยาวยังไงก็ตามเสร็จแล้วมันก็มาก็อยู่ก็ไปเราเตรียมใจรับไปตั้งแต่ต้น จะดีหรือไม่ดีก็ตามที่จริงมนการอยู่ร่วมกันชักวคราวแต่แล้วก็จากไปถ้าดีก็ไม่ต้องเสียใจเพราะรู้ล่วงหน้าไว้ตั้งแต่ต้นแล้ววันนั้นวันนี้ก็นนจะออกไปก็จะกลับไปถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรเพราะอีกไม่กี่วันก็จากไปแต่ในขณะที่อยู่ร่วมกันอะไรที่ควรปฏิบัติเกื้อกูลต่อกันก็ปฏิบัติต่อกัน แล้วพร้อมที่จะทำใจให้ยอมรับความจริงตามสมควรแ ก, กร่กรณีนั้นหรือการมองแบบของยืมจะเห็นว่าของยืมก็คือไม่ใช่ของเราแต่ว่าสิ่งทั้งหลายที่เราไปรู้สึกว่าของเราของเราของเราเพราะก็จริงมันก็เหมือนกับของยืมคือไม่ใช่ของเราจริง แต่ลองสังเกตความรู้สึกระหว่างระหว่างของยืมสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นของยืมก็สิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นของเรานั้นจะมีความแตกต่างกันของที่รู้สึกว่าเป็นของยืมเมื่อได้มาแล้วจะรีบใช้สอยให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าเวลาทุกนาทีที่ผ่านไปนั้นคือใกล้เวลาจะส่งคืนทาให้มีการตื่นตัวระมัดระวัง และมีความพร้อมที่จะส่งคืนเขาในขณะที่อยู่กับเราเราก็ได้ประโยชน์แต่ไม่รู้สึกว่าของเราเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าต้องรับผิดชอบถ้าเทียบเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาทีจะเห็นว่าของยืมนั้นเราใช้ประโยชน์ได้เร็วกว่ามากกว่าเพราต้องรีบเอาไปส่งแต่ของที่รู้สึกว่าของเรานั้นก่อนจะมาเราก็อยากได้ ได้มาแล้วก็มีความหวงความห่วงความริตรกกังวลความห่วงใ่กลัวภัยกลัวอันต ร, รายจะเกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านั้นเกิดเปลี่ยนแปลงไปในทางดีก็ดีใจเกิดสูญหายเกิดจากไปเกิดจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจแต่ช่วงที่อยู่นั้นจะไม่ค่อยใช้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่เพราะถือว่าเป็นของเราอยู่แล้วบางทีก็กลายเป็นอุ้ม ทรัพ ส, สมบัติเหล่านั้นเอาไว้อย่างที่โบราณท่านใช้คำว่าปูสมเขา้าทัพสมบัติ บ, บาลีมีอีกประโยคหนึ่งที่ท่านใช้พระพุทธเจ้าชอบใช้ทรงใช้คําว่าเหมือนสะโบกกณีที่ผีเสื้อยักหวงแขนหมายความว่าคนที่บริโภาคใค่สอยทรัพย์ ส, สมบัติโดยความรู้สึกผูกพัน ว, ว่าเป็นของเราของเราของเราแล้วกลัวความเสื่อมของพวกทรัพย์เหล่านั้น ไม่บริโภคใช้สอยดูตัวเองไม่เลี้ยงดูครอบครวัวรับความสุขไม่สงเคราะห์ญาติไม่บำเพ็ญบุญไม่เสียภาษีแก่รัฐไม่บำเพ็ญกุศลสาธารณนาทั้งหลายตัวเองก็แก่ไปทรัพย์ก็เปลี่ยนแปลงไปเก่าไปสุดไปและในที่สุดก็จากไปประโยชน์ที่ควรจะได้จากทรัพย์มันก็ไม่มีท้าในปัจจุบันและในการภายภาคหน้าเป็นภาพของปู่โสมที่ฟฝ้าทรัพย์เอาไว้ อยู่ด้วยขวัญภาวาวิตกกังวลเดือดร้อนห่วงใยแต่ว่าจริงสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับใครแต่กลับเป็นศัตรูต่อจิตใจของบุคคลที่หวงห่วงกับสิ่งเหล่านั้นเพราะนาการเหล่านี้เราจะเห็นว่าเป็นการหลงหลงรักหลงชังหลงยึดหลงผูกพันเอาไว้แต่ในที่สุดก็ต้องทิ้งไป เพราะแนวกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ทรงพยามให้บุคคลได้ใช้สติสามัญญาความเพียรในชั้นแรกทาใจสงบสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกสงบอยู่กับอิเดบทใหญ่ทั้งสี่คือยืนเดินนั่งนอนสงบอยู่กับการเคลื่อนไหวทุกอย่างรวมทั้งอิเดียบ ท, ทั้งสี่ด้วยสงบอยู่กับ อาการ32ชี้ก่อขึ้นมาเป็นร่างกายเป็นการมองแบบแยกออกเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยี่ยในกระดูกม้ามหัวใจตับปังผื้ดไตปอดเรื่อยๆไปจนถึงมันสมองเห็นว่าร่างกายของคนเรามันเหมือนก็ของที่แยกออกเป็น32ส่วนใน32 ส, ส, ส่วนนั้นสามารถจะเกาะกลุ่มเป็นธาตุทั้งสี่ คือดินน้ำลงไฟแต่จะแถมอากาศแคบอีกก็ได้แล้วก็หาความเป็นเราไม่เจอทรงอุปมาให้ดูว่าเหมือนกับเราเข้าไปตลาดที่เขาขายเนื้อเนื้อหมูเนื้อโคเนื้อควายเนื้อแพะเนื้อแกะอะไรก็ตัมมันเป็นสักแต่ว่าเนื้อ มันไม่มีความเป็นโคเป็นควายเป็นแพะเป็นแกะเป็นไก่เป็นสุกรอยู่ในชีดนั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นถูกแยกหมดแล้วถ้าจะเรียกว่าเป็นควายก็เนื้อควายตับไตไส้พุงควายเขาควายหนังควายขาควายกระดูกควายแต่ก็ไม่มีควายนั่นแสดงให้เห็นถึงสังขารร่างกายก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกัน เพื่อจะถ่ายถอนให้บุคคลคลายความกนัดความขัดเคืองเพราะกนัดไปก็เท่านั้นขัดเคืองไปก็เท่านั้นไม่กี่วันก็ต้องจากไปไม่กี่วันก็ต้องชิ้นกันไปอย่างสมบูรณ์โบราณคนเท่าคนแก่ที่ท่านชอบอพออายุเลยเข้าไปถึงห้าสิบกว่ากว่าแล้วก็เริ่มคิดอีกไม่กี่ผืนพ่านนุ่งละ ไม่อยากทะเลาะกับใครไม่อยากปีเปียนใครใช้เวลาส่วนใหญ่ไปอยู่ด้วยบุตรด้วยกุศลต่างๆเป็นปัญหาที่มองยากเพราะความหลงรักหลงช่างนั้นเป็นเรื่องที่อ่อนไหว น, ะนั้นบางครั้งจึงทรงสอนเลยไปให้ไปดูซากศพต่างๆที่ทิ้งอยู่ในป่าช้าแล้วก็น้อมนึกกรหมาเราน้อมเราก็ไปหาศพน้อมศพก็ไปหาเราก็เห็นมีศพอยู่สองศพ มีศพที่ตายนอนอยู่บนพื้นดินแต่ก็ศพที่เป็นทึ่งยืนมองศพตายและต่อไปก็จะนอนลงบนดินให้คนอื่นเขามองต่อไปตัวเรงในโลกนี้ก็เป็นศพเพียงแต่ว่าศพตายและศพเป็นเท่านั้นเองเป็นการปลุกเราให้เกิดความไม่ประมาท มองภาพชีวิตคล้ายๆกับเรือนที่ถูกไฟไหม้ต้องรีบเร่งเอาสิ่งดีงามมีค่าออกมาจากเรือนซึ่งกำลังถูกไฟไหม้ให้ได้เราหยุดไฟไม่ได้แต่เราก็รีบฉกฉวยเอาสิ่งเหล่านั้นออกมาให้ได้เลยมากเลยน้อยเป็นเรื่องของภูมิธร ร, รมสติปัญญาของบุคคลตอนนั้นที่จะจัดที่จะทำออกไปพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงลักษณะที่สาวลึกลงไปว่า การที่บุคคลมีจิตกำหนัดขัดเคืองอยู่กับร่างกายตนเองและร่างกายของบุคคลอื่นนันมันเกิดขึ้นจากตันหาจดริดที่กล้าปัญญาน้อยเป็นการมองเฉพาะจุดแล้วกำหนดด้วยความกำหนัดคล้ายๆกับคนประดับประดาเข้าไปเข้าร้านเสริมสวยเสียเวลาเป็นชั่วชวงโมงออกมาเพื่อนก็บอกว่าสวย ก็ะถามว่าสวยจริงหรือเปล่าอะไรสวยดูไปดูมาจริงจริงก็จะไม่มีอะไรสวยถ้าสวยก็สวยอยู่ตลอดถ้าเกิดสวยเฉพาะจุดนั้นแสดงว่าสิ่งอื่นมาทำให้คิดว่าสวยที่ทรงใช้คำอีกคำหนึ่งว่าวิปัานาหรือการมองคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ความจริงมันเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่กลับไปมองอีกอย่างหนึ่งเพราะความคิดที่เรียกว่วิบัลลาดจึงเป็นอาการของอวิชชาคนเราจะมีวิบัลลาดอยู่ในสี่เรื่องใหญ่ๆและมีความเข้มข้นที่ยิ่งย o อนแตกต่างกันออกไปถูกเรียงไว้เป็นสามระดับระดัแบบแรกเรียกว่าสัญญาวิบัลลาดคือความทรงจำที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเมื่อความเข้มข้นน้อยหน่อย ระดับที่สองเรียกว่าจิตตวิปลัลญาคือความคิดที่คลาดเคลื่อนจากความจริงมีความเข้มข้นสูงขึ้นคลายยากขึ้นแก้ปัญหายากขึ้นจะถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่าทิฏฐิวิปัญญาเป็นความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงซึ่งตรงนี้อาการน่ะคนที่รักสิ่งที่รักสูญหายไปตายไป บนเพ้อร้องผมร้องให้จนสติวิปลาดไปบางครั้งก็ฆ่าตัวตายตามไปโดยตั้งใจว่าจะไปอยู่ร่วมกันในปาราโลกซึ่งไม่ได้เป็นอย่างที่เราเข้าใจว่าเราทำได้เราคิดได้เราเป็นได้พอพูดถึงปารโลกแล้วไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของใครแต่เป็นกระบวนการของกรรม กรรมป็ตัวจำแนกแบ่งแยกให้คนไปสู่ภพภูมิที่ยิ่งหย่อนแตกต่างกันเพราะอาการทั้งหมดจึงเป็นอาการของอวิชชาเราจึงพบเรื่องเรื่องเรื่องราวของบุคคลต่างๆที่ประสบกับสิ่งซึ่งบาลีตัณชายคำว่บบาวิทยวิปโยคคือการพลัดพราคสูญเสียจากคนจากสัตว์จากสิ่งอันเป็นที่รักแม้คนที่สร้างส ม, รมบรมบารมีมนนานาน เรียกว่าระบารมีแกร้าสำนวนดัานใช้คำว่าปชิมภวิกษัตร์คือสัตว์ที่เกิดมาในภพชาติสุดท้ายแต่ถึงอย่างนั้นพอเจอเข้าตรงนี้ก็กลับมีปัญหาแรงๆอย่างอดีตชีวิตของพระปตาจาราเทรีภิกษุณีซึ่งประสบกับความพัาดพลาดสูญเสียคนอันเป็นที่รักของตัวเองใกลชิดกตัวเองที่สุด คือสามีกับลูกพี่ชายพ่อแม่ตายคืนเดียวกันหกคนตั้งสติไม่อยู่วิปลาสคือกลายเป็นบ้าไปเลยหรือพระกีสาโคตมีซึ่งลูกตายไปในวัยที่กำลังน่ารักทำใจยอมรับความตายที่เกิดขึ้นเกิดลูกไม่ได้ต่อต้านความตาย ท, ทั้งทั้งที่ลูกตายไปแล้ว กว่าจะแก้ปัญหากันได้คนอื่นแก้ไม่ได้พระพุทธเจ้าต้องช่วยแล้วก็ช่วยด้วยวิธีด้วยอุบายที่ให้ประจักษ์ใ้วยใจตัวเองตอนนี้จึงเป็นอาการของอวิชชาระลึกผิดแสดงว่าจำหมายมาผิดคิดผิดก็คือระลึกผิดเห็นผิดแล้วก็สร้างปัญหามาก เรื่องราวในอัตฉริยะเล่าถึงคนบางคนพ่อบางลูกบางสามีบ้างปัญญาบา้านตายไปแล้วก็เผาแล้วในเชิงตะก่อนตื่นเช้าก็ไปนั่งร้องห่มร้องไห้ไปนั่งคุยกระขี้เฒ่ากระดูกพ่อแม่สามีพัญญานั่นคืออาการของวิชาอาการของโมฆะเรียกว่าหลงรักหลงชัง หลงบนเพ้อหลงคล่ำควนหลงร้องให้ทั้งหมดจึงเป็นอาการของความหลงอวิชชาจึงกลายเป็นที่มาของปัญหาทั้งหลายในชีวิตของคนอย่างที่พระชิตได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าโลกคือมูสัตอนอะไรปิดบังไว้จึงหลงหลุดอยู่ในที่มืดพระเาเราสั่งว่าโลกคือมูสัตอนาวิชาปิดบังไว้จึงหลงหลุดอยู่ในที่มืด เพราะนท่ากลางกระแสของวิชาก็าเหมือนก็อยู่ท่ากลางความมืดทำอะไรทุกอย่างท่ากลางความมืดมีปัญหาหมดจิตใจของเราเราที่มียวิชาก็จะเป็นเช่นเดียวกันพยายามไปพูดไปคิดไปแสดงไปแต่ว่ามียวิชาครอบงาใจอยู่จะสร้างปัญหาให้มากยิ่งขึ้นอย่างที่มีคําพูดสมัยปัจจุบันนั้นใช้ยยคําหนึ่งที่เรียกว่าคนโง่ขยนัน หมายความทำไปด้วยความไม่รู้แล้วขืนทำไปแทนที่จะแก้ปัญหาก็กลับเป็นการสร้างปัญหาดังนั้นอวิชชาจึงเป็นรากง่าวของความเลวร้ายทั้งหลายศาสนาทรงสอนให้พยายามลดพยายามละพยายามให้จากให้คลายให้บรรเทาไปโดยมีจุดมุ่งหมายที่การดับอวิชชาในที่สุด แต่คนที่ดับอวิชาได้เนี่ยโลกมันมีเฉพาะพุทธบุคคลสามประเภทเท่านั้นคือมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจ้พุทธเจ้าพระอาราน์เท่านั้นนอกจากนั้นไม่มีใครดับอวิชาได้แต่ว่าทำยังไงจะให้มืดบอดด้วยเหตุผลและการใช้สติปัญญามากเกินไปอย่าถึงกับหลงรักหลงชังจนมีปัญหาถึงหมายความว่าถ้าแก้ไขระดับนี้ได้ก็ชื่อว่า อยู่ในระดับของศีลธรรมจริยาที่จะให้เกิดความสุขความสงบขึ้นภายในชีวิตของตนได้ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุอ